ท่านฟังที่ครบค่ะรายการสันนิษฐานาค่ะทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว Fm 106สถานีที่ฟังที่นี่ที่เดียวท่านได้ครบทุกรถเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรถธรรมะรถของความเป็นคนทันสมัยในเรื่องของข่าวและเรื่องอื่นๆเราก็อยากจะเป็นหนึ่งในสถานีนะคะที่ทำให้ ท่านทั้งหลายได้ในส่วนที่เป็นสิริมงคลตั้งแต่ยามเช้าก็คือได้รู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรได้รู้ว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนนั้นมันไม่ใช่เกินวิสัยที่ท่านจะทำได้ดังนั้นท่านจึงเป็นผู้ที่มีโอกาสอยู่เสมอนะคะถ้าต้องการที่จะได้ประโยชน์จากธรรมะใครที่ยังไม่เข้าใจไม่รู้ว่าธรรมะให้อะไรท่านเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยนะคะจากพระอาจารย์ พระบุญภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโสอุดรธานีซึ่งจะมาเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะให้กับพวกเราค่ะกราบและรักษาการกันะนะคะเชิญบอนค่ะจอนอุดรธานีห่างจากกรุงเทพสักกี่กิโลนะคะที่ฉันไม่แน่ใจประมาณ600โลมั้ย600โลถ้านั่งรถทัวร์กันเจ็ด8ชั่วโมง8ชั่วโมงนั่นมาทัวร์แชั่วโมง นะคะแต่ว่าถ้าฟังวิทยุเนี่ยเหมือนยกวัดมาไว้ที่นี่เลยแล้วท่านไปฟังวิทยุนี่เป็น โ, โอกาสดีที่สุดนะคะคือจะง่ายกว่าดูโทรทัศน์ที่ดูโทรทัศน์นี่บางครั้งอ่าไม่สามารถที่จะทําอย่างอื่นได้ถ้าถึงตอนที่มันต้องดูไปด้วยอใช่แต่ฟังเนี่ยได้เลยเออท่านคะอย่าง ก, การปฏิบัติธรรมอย่างที่ท่านมาร์กนำไปในตอนต้นเนี่ยอก็จะพูดถึงเรื่องของการที่ มีสติระลึกรู้อยู่ที่เดียวถูกไหมคะใช่อ่าอันนี้เป็นเป็นมาตรฐานไม่มีข้อยกเว้นเลยใช่ไหมคะสติแปลว่าความระลึกได้นะที่ความระลึกได้บางทีอาจจะระลึกถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งน้อนแต่พระเจ้าพูดถึงสัมมาสตินะคือคแทนที่เราจะให้จิตของเราออกไปวุ่นวี่วุ่นวายกนหนัก็มามีที่ตั้งฐานที่ตั้งกันหนึ่งนี่คือสัมมาสติค่ะทีนี้กับฟังวิทยุไปด้วยอ่าแล้วก็ทํางานไปด้วยอย่างเนี้ยอืม เราคงเลจะบอกให้คนออกนอกแนวสัมมาสติหรือเปล่าคะเออสามารถมิคือมีสติเนี่ยมันมีสติได้อยู่ในหลายหลาอย่างนะอย่างเรามีสติอยู่ในกายแล้วเราฟังเสียงเนี่ยเสียงเราคือจิตเรามีสมาธิเนี่ยเราฟังอะไรเนี่ยเราจะรู้ชัดเจนดีโดยซ้ํำเพราะฉะนั้นก็อยู่ยังอยู่ในมรรคอยู่ยังอยู่ในมรรคอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นการคลายความสงสัยที่ท่านเคยได้ยินแม่กระทั่งตัวเองก็เคยถามนะคะว่าเอ๊ะ เรากำลังทำถูกหรือทําผิดเนี่ยจะได้สบายใจเน<บ>ี่ยบางคนจะมีความคิดว่าปฏิบัติธรรมเนี่ร่างกายนี้ต้องเครียดกรัดแบบต้องเครียมเคร่งต้องคิ้วโค้งว่าต้องแบบตัวเองต้องลําบากนี่นหน่อยๆอย่างเงี้ยนะคือจะอยู่สบายๆนี่ไม่ได้ไ ม, ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นนะพระเจ้าเคยพูดถึงว่าคือเล่าเรื่องของบุกนิครนให้ฟังว่าเขาทําตัวลําบากอะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะแต่ว่าการปฏิบัติของเขานี่ก็ไม่ได้ผลนะคือลำบากปล่าเปล่าเปลือยเฉยๆนะแต่ถ้าผมว่าเรามารู้ว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ย เราเราก็สามารถทํำที่สุดแห่งทุกได้นะแต่ไม่ใช่ว่าลําบากเราจะไม่ดีนะแต่ถ้าเราอยู่ลําบากแล้วเนี่ยเรามีอกุศลหายไปกุศลธรรมเกิดขึ้นอยู่สบายสบายเนี่ยกุศลธรรมมันเกิดขึ้นอกุศลอกุศ ล, ลมันเกิดขึ้นกุศลธรรมหายไปเนี่ยให้อยู่ลําบากแต่ถ้าเราอยู่ลําบากจกนกระทั่งจิตของเราฝึกดีแล้วเนี่ยจะมาอยู่สบายก็ไม่มีปัญหาค่ะอะก็เท่ากับว่า เ, าเข้าใจให้ถูกต้องมากขึ้น แล้วก็อย่างน้อยในเรื่องของการฟังธรรมเนี่ยก็ขอให้รู้ว่าถ้าท่านมีสติใช่ไหมคะที่ตั้งมั่นอยู่แล้วแล้วฟังธรรมด้วยนี่ก็เกิดประโยชน์มากขึ้นแล้วเหมือนกับเจริญสัมมาสติอยู่ด้วยคือการที่มีจิตเป็นเอกัคตาเนี่ยฟังซึ่งธรรมะเนี่ยจะสามารถทําให้ก้าวลงสุนียามคือฟังธรรมได้สำเร็จประโยชน์ค่ะนะคะทีนี้อ่า ถ้าจะพูดเรื่องปฏิบัติที่เชื่คิดว่าเราคงจะมีเวลาพูดกันเรื่อยๆก็มีหลายแง่หลายมุ ม, อมขอมาที่ช่วงเวลาประจําก่อนซึ่งเป็นการร่วมกันเฉลิมฉลองพุทธชีมตีถวายพุทธบูชาพระพุทธองค์ที่เราทำกันอยู่ในรายการนี้เสมอมาเลยนะคะว่าวันนี้ท่านพิบูลได้ตั้งใจเลือกเรื่องอะไรเอาไว้ให้กับท่านผู้ฟังค ะ, ะพูดถึงเรื่องพระบูชา ท, ที่ที่เราพูดถึงว่า พระพุทธเจาเนีมีร่างกายชวีวัน ม, มีผิวพันธุ์ผุดพองเป็นสีทองเนี่ยนะพระพุทธเจ้าก็พูดถึงว่าการที่พระองค์มีผิวพันธุ์ผุดพองเนี่ยอยู่เวลาอยู่สองครั้งนะัคือไม่ใช่ว่ามีตลอดเวลานะัคือหลายๆค น, นจะเข้าใจว่าพระพุทธเจ้านี่บอกว่าผิวทองตลอดเวลา<ะ>ล ก, ก็จะไม่ใช่อย่างนั้นนะอย่างเวลาที่บําเพ็ญทุกกคดิยาอยู่เนี่ยผิวพันธุ์ก็แห้งเปลียนมีสเก็ดเกิดขึ้นอันนี้ก็ไม่ใช่ผิวทองแน่ละ <Okay. S 1> หรือว่ามีเหตุการณ์บางครั้งที่คนมาหาที่วัดะเขาไม่สามารถบ่งบอกได้ว่าคนไหนเป็นพระพุทธเจ้าคนไหนเป็นพระภิกษุธรรมดาคือมองๆไปเนี่ยมันเหมือนกันหมดเลยอย่างเงี้ย uh huh. อันนี้ก็กรณีหนึ่งแล้วก็พร ะ, อ, ะ, พระ อ, อนนุ์ก็เคยบอกว่าพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยมีผิวพันธุ์ตัวผิวหนังเหี่ยวแล้วก็ตัวค้อมไปข้างหน้าแลนะอินทรีย์ต่างๆก็เปลี่ยนแปลงไปหมดนะเพราะว่าความแกนะ่ก็คือมีความแก่เหมือนบุคคลทั่วไป นะแต่ว่าผิวพันธุ์ที่ผุดผ่องเนี่ยจะมีสองครั้งนะคือในราตรีที่จะตรัสรู้สมมาสมพุตธิญญ์ยานะกับราตรีที่จะปรินิพานด้วยอนุปาทิเศ ส, สนิพานธาตนะุสอราตรีนีในะคืนนั้นเนี่ยคืนก่อนที่จะปรินิพาก่อนคืนก่อนที่จะตรัสรู้นะคือสมมติว่าคืนนี้แล้วพรุ่งนี้เช้าเนี่ยพระอาทิตย์ขึ้นริบๆรีิบๆรที่ริมขอบฟ้านเนี่ยตรัสรู้แล้วนะคืนตรงเนี้ยนะคือเรียกว่าคืนวันศุก์ดิบเนี่ยจะมีผิวพันธุ์ผุดผ่อง แล้วก็ชเช่นเดียวกันกับตอนที่มรณภาพตอนที่บริณ eh uh, ิพานนะคืนนี้แล <hatten. S 1> ้วก็พรุ่งนี้เช้าลิบหรีพอาทิตย์ขึ้นมาเนี่ยนี่จะจะมรณะภาพจะบริณิพานแล้วเนี่ยคืนนี้จะมีผิวพันธ์ผุดพองก็คือคืนสุขดิบนั่นเองค่ะนะแล้วก็อาหารที่รับประทานในวันนั้นนะสมมติวันนี้ใช่ไหมแล้วก็คืนนี้จะเป็นคืนสุกดิบนะวันสุขดิบเนี่ยอาหารที่รับประทานในวันนั้นเนี่ยโอ้โหจะได้บุญมากคนที่ถวายนะทั้งทั้งที่เป็นก่อนตรัสรู้แล้วก็ก่อนปริณิพาน S <S> อ้<ม>อท่านคะอย่างนี้ก็เท่ากับว่ า, าพระพุทธองค์เนี่ยคือเหมือนมนุษย์ปกติธรรมดาทั่วไปในโอกาสทั่วๆไปในเรื่องของอผิวพรรณเรื่องกายใช่นะคะแต่ว่าในโอกาสที่ท่านจะบรรลุในสิ่งที่สำคัญมาก <S <S ก็คือตรัสรู้จะมีมีสิ่งบอกเหตุก่อน คิวพันธุพองนะคะเอ่อทีนี้เอ่อเรื่องของอย่างรูปกายของพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยคจริงๆพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยไม่ใช่เป็นเอ่อเทวดาเทพหรือว่าเป็นเรื่องอรคระเลมันดลใจแต่เป็นมนุษย์ธรรมดาน ะ, ะที่ว่ามีการทําความเพียรแล้วก็เอ่อสามารถพ้นจากความทุกข์ได้นะคําสอนของขอ ง, ข อ, งอ่อทางพุทธศาสนาก็เป็นลักษณะนี้ค่ะซึ่งอันเนี้ยค่ะทีิงคิดว่าเป็นสิ่งที่ น่าสนใจมากในพระพุทธศาสนาเพราะว่าถ้าเราดูศาสนาบางศาสนาเนี่ยเขาก็จะมีศาสดาที่เหมือนกับว่าเป็นเป็นเป็นอะไรคะเป็นศาสดาที่พิเศษเป็นคนพิเศษ uh huh. อ่าฮะไม่ใช่เป็นมนุษย์อย่างเราเราท่านท่าน uh huh. นะคะแต่ว่าเนี่ยศาสดาของศาสนาพุทธเนี่ยเป็นมนุษย์แท้แท้จับต้องได้มีวิถีชีวิตมีพฤติกรรมแบบ มนุษย์อื่นๆรวมทั้งเราด้วยทั่วๆวไปเอเขียนแลยว่าจากการปฏิบัติคะใช่คือเรื่องของความพิเศษของใครของใครก็มีทั้งนั้นนะคะความพิเศษในแต่ละเรื่องแต่ละอย่างมีทั้งหมดแล้วก็ถ้าถ้าจะมาเปรียบเทียบในเรื่องของตัวตัวบุคคลนนในเรื่องของตัวเขาเรียกว่าตัวสิ่งที่จับต้องได้ฮาร์ดแวร์เนี่ยน ะ, ะก็จะมีความพิเศษแต่ละอย่างก็ไม่เหมือนกัน ทีนี้พระพุทธเจ้าถ้าจะให้เปรียบเทียบเนี่ยก็ต้องเปรียบเทียบเรื่องของตัวบุคคลด้วยเรื่องของคําสอนด้วยเรื่องของสาวกด้วยเปรียบเทียบแลกกันมาหมดเลยนะจะพบว่าความบริสุทธิ์พุทธพงษ์เนี่ยในเรื่องของคําสอนนี่ก็มีอย่างมากทีเดียวนะเรื่องของร่างกายก็ส่วนหนึ่งก็มีความพิเศษอยู่เรื่องของคําสอนนี่ก็ยิ่งมีมากจริงๆค่ะแต่ประเด็นที่ดิฉันได้พูดเมื่อสักครู่นี้เนี่ยดิฉันกาลังจะนําไปสู่การที่ไม่ใช่ว่เอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับพระพุทธองค์นะคะแต่ต้องการที่จะให้เห็นว่า ถ้าเรามุ่งมั่นต่อการประพฤติปฏิบัติตามธรรมเนี่ยอืความห้องงามเจริญก้าวหน้าย่อมหน้าจะเกิดขึ้นได้จริงๆใช่ใช่ค่ะ<ช>ทีนี้ท่านคะที่บอกว่าอาหารที่รับประทานในวันสุกดิบคนถวายได้บุญมากหมายถึงถ้าอย่างวันสุกดิบก่อนตรัสรู้นี่ใครถวายนะคะนางสุชาดาอ๋อนางสุชาดาที่เร า, าถากทองใช่ใช่ใชอย่างว่าอย่างไรก็ตามนางสุชาดานี่ก็เป็นเรื่องที่มาใน ในในอัตถกาถา ท, ที่ท่านบ อ, บอกบอกพูดถึงนางสุชาดาแต่ว่าโดยพุทธวจนะที่บอกว่าใครมาถวายเนี่ยไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้เล่าถึงนะจะมีแต่แทแค่ตอนปริณิพานที่บอกว่านายจุนทกศกมรดมุตเนี่ยเป็นผู้ถวายอาหารในมื้อก่อนปริณิพานแต่ว่าวันก่อนตรัสรุเนี่ยไม่ได้ระบุไว้โดยพุทธวจนะนั้นโพุทธวจนะไม่ได้ระบุแต่ว่าเป็นเรื่องที่มาในอัตถกถ า, ท, าท่านก็พูดถึงว่าอ๋องั้นมื้อก่อนก่อนปตัศรูเนี่ยก็มีนางสุชาดา ก็เลยได้เป็นเรื่องที่เรามาเล่ากันว่าเป็นนางสุจดาสุจดาแต่ว่าไม่ใช่เป็นพุทธวจนะตรงนี้ท่านบุญคะถ้าเช่นนั้นอยากจะให้ท่านช่วยกระนาอธิบายอีกสักครั้งได้ไหมคะว่าอัตถากถานั้นคืออะไรพุทธวจนะแตกต่างจากอัตถะอัตถากถาอย่างไร อ, อ, อ๋ออัรถกฐาเนี่ยคือหมายความว่าคือพุทธวจนะมีมาก่อนใช่ไหมเป็นคําตรัสของพุทธเจ้าซึ่งเหล่าสาวกเนี่ยพุทธเจ้าตรัสอะไรก่็จําไว้หมดเลยจาแล้วจําไว้ก็ทอดสืบทอดกันมาจนกระทั่งมีการลงอักษร ในช่วงหลายๆร้อยปีหลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วจึงค่อยมีการลงอักษรทีนี้พอมีการลงอักษรแล้วนะก็ได้มีการทําสังเญยนานาะอะไรต่างๆมาเสร็จแล้วพอมีการทําสังเขยนานาะครั้งหนึ่งที่มีการอธิบายขยายความสิ่งที่เป็นพุทธวจนะนะบุคคลที่มาอธิบายขยายความตรงนี้ก็คืออัตถคภาษาจารย์นะเป็นสาวกรุ่นหลังที่อยู่ในกวนที่เขาทําสังเขยานากันนะนะนะแล้วตรงส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมาตรงนี้ก็เรียกว่าอัตถคถา ที่อธิขถาส่วนตรงนี้ก็เลยอธิบายที่พุทธเาตรัสว่าอาหาร2มื้อที่มีผลเสมอกันมากยิ่งเสมอกันนั่นก็คือตอนก่อนตรัสรู้กับตอนก่อนปริญนิพพานใช่ไหมทีนี้ตอนก่อนปริญนิพพานหลวงพุ่าระบุไว้ชัดเจนว่าคือในจุนทกษกรรบุตรถวายอาหารชื่อว่าสุกรมัทวะทีนี้เอาแล้วตอนก่อนตรัสรู้นี่ใครถวายก็ไม่มีพระพุทธเจ้าระบุไว้ท่านก็เลยเพิ่มเติมตรงนี้เข้าไปว่าอ๋อเป็นนางสุชาดาทีนี้ท่านเอาข้อมูลนี้มายัางไงเราก็ไม่ทราบ <น>ท่านอาจจะมีความรู้ความเห็นเราก็ไม่รู้แต่ว่าตอนนี้เป็นเรื่องที่บันทึกมาเราก็ ก, ก, ก็เลยเอามาเล่าให้ฟังเฉยๆก็เหมือนกับว่าเราต้องพยายามทําความชัดเจนให้มากที่สุดตามที่อย่างถ้าเป็นท่านพิบูลนี่ก็อบอกว่าศึกษาจากพุทธวจนะเป็นหลักได้ไหมคะใช่ก็คืออันนี้เป็นเป็นคําสั่งพุทธเานะให้เราศึกษาจากพุทธวจน ะ, ะนะถ้ามีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาเราก็ไปเปรียบเทียบกับพุทธวจนะดูถ้ามันเข้ากันได้ลงกันได้ก็กโอเคค่ะ แต่ว่าในมื้ออาหารตอนตรัสรู้เนี่ยไม่ค่อยน่าสงสัยเท่าไหร่นะคะเหมือนก็ว่าก็ควรจะได้บุญมากหรอเพราะว่าถวายแล้วเนี่ยพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้ในสิ่งที่ประเสริฐสุดมาถึงวันนี้แล้วก็จะยืนยันต่อยืนยาวต่อไปแต่ว่าสําหรับก่อนปริบิพ่านเนี่ยสิ่งที่ท่านสงสัยเพราะว่าดูเหมือนกันในจุนทะเนี่ยเป็นจําเลยของชาวพุทธนะคะว่าถ้าไม่เช่นนั้นพระพุทธองค์อาจจะมีพระชนชีพ ต, ต, ต่อมาอีกอแต่ว่ามื้ออาหารสุกรัมัถวะของนายจุนทะเนี่ยมันจะเป็นอาหารพิษน่ะ ทำไมถึงได้บุญใหญ่คะก็นี้พระราชาเป็นพระว จ, จนะตรัสไว้นะคือพระเจ้ากังวลว่าคนอื่นเนี่ยก็จะไปกล่าวหานายชุนทะอย่างนี้เหมือนกันนะก็เลยบอกให้ท่านพระอานนท์เนี่ยไปแจ้งข่าวกับนายชุนทะนะว่าอาหารมื้อที่นายชุนทะสวยเนี่ยอย่าไปเครียดเลยนะว่ามันอา่เอ า, เ, อาเป็นสิ่งไม่ดีแต่ว่าเป็นสิ่งที่ได้บุญมากทีเดียวอย่า ง, งัน อ, อี้ ก็ทำไมด้วยเหตุผลอะไรใช่ไหมด้วยหลักทางจีวิทยาหรืออะไรก็ไม่ได้ระบุไว้แต่นี่เป็นพุทธวจนะบอกมาอย่างนี้แล้วก็ว่าตามไปค่ะแต่แม้ดิฉันก็มนุษย์ธรรมดานเข้าปีความจริงเลยก็เลยเข้าใจว่าคืออย่างแรกจะเห็นความเมตตาของพระพุทธองอย่างสูงสุดแล้วก็ปกป้องผู้ที่ตั้งใจทําทานถวายอย่างบริสุทธิกับพระพุทธเจ้า ด้วยสุกระมัทวะอะไรก็แล้วแต่เข้าใจว่าในจุนท้าเนี่ยท่านคงพิจนาแล้วไม่ใช่คนที่มาวางยาพิษท่านแต่เป็นคนที่ศรัทธาด้วยบริสุทธิ์ใจก็เมตตาไม่งั้นเดือดร้อนตายเลยนะคะเนี่ยมาคะคือคื อ, คอตรงนี้อาตมาคิดว่า ง, งี้ว่าถ้าเรามามาแอพลายกับตัวเราเองนะสมมุติว่าเราถวายทานเราเราใส่บาตรทุกวันทุกวันอยางเี้ยหรือว่าคุณถวายทานในสงฆ์เนี่ยถ้าสมมติว่าพระรูปนั้นเนี่ย กินอาหารที่เราถวายนะท่านฉันอาหารที่เราถวายแล้วปรากฏว่าคืนนั้นเนี่ยท่านนั่งสมาธิแล้วบรรลุปเป็นพระอรหันเนี่ยโอยเราจะได้บุญมาก<ห> น, นีอหรอไหม ห, ห, หรือว่าถ้าปรากฏว่าคืนนั้นท่านนอนไปแล้วไม่ตื่นขึ้นมาเลยตายไปแล้วอย่างเงี้ยนะมรณภาพไปแล้วโอยเราก็จะได้บุญมากเหมือนกันนะแต่แต่ดิฉันไม่คิดแบบนั้นเลยนะดิฉั น, นคิดว่าเออดิฉันอาจจะติดในใจว่ากินี่ไงนี่เป็นพุทธวจนะที่ยืนยันหน่อคุณโยมติวนี่หรอไหมเข้าใจแล้วค่ะว่านี่กำลังจะวิเคราะห์แบบเราเลย ว่าพระพุทธองค์ก็เลยทําให้ในายจุนทะเนี่ยได้มีความรู้สึกถึงบุญนะคะก็ไม่ให้ใครเนี่ยมาทําร้ายหรือกล่าวหานายจุนทะด้วยข้อหาที่มันชกันมา ก, ากกับอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ฉันเข้าใจว่าน่าจะเป็นเพราะการการเขาเรียกอะไรคะวรรณิพานของพระพุทธองค์นั้นคือหมายก็ว่าท่านถ้าพูดภาษาแบบชาวบ้านก็คือท่านเสียชีวิตไปเนี่ย แต่ว่าท่านไปแบบผู้ที่ตรัสรู้แล้วเป็นพระอาหารหันต์ปาะสัพมาสัมพุทธเจ้านี่คือไปปรินิพานเป็นสูงสุดของการที่จะไปใช่ไหมคะคือไม่มีกลับมาอีกเลยตรงนี้พระเจ้าใช้สำนวนว่าปรินิพานอย่างลืมตาอ๋อเหรอคะอ่าใช่ <laughs> คือไม่ใช่นนเหมือน<ต>ว้าเราที่ว่านอนตายตาหลับนะอันนี้พระเจ้าบอกว่าปรินิพานอย่างลืมตาอะไรเงี้นเหรอคะหมายความว่าท่านอะไรจะบอกว่า เวลาท่านปรินิพานเนี่ยท่านนอนลืมตายอย่างนั้นอ๋อไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แต่ว่าลืมตาเนี่ยคือตาธรรมะไงคือเห็นธรรมแล้วก็ไปอย่างอย่างเป็นผู้ฉลาดผู้ที่ช น, น, นะแล้วอย่างเงี้ยนะอืมคือที่ดีฉันต้องถามเนี่ยเดี๋ยวผู้ฟังสับสนอีกบอกใหะแต่คนธรรมดานี่ยเขาเชื่อนะว่าตายนี่ห้ามลืมตานะลืมอยู่คือเป็นโลกให้ปิดซะไม่อยาเดี๋ยวคนตายไปจะไม่สงบสุขอะไรเงี้ยนะคะคนข้างหลังก็กังวล ค่ะก็จะได้เห็นว่าพระศาสดาของเราพิเศษมากนะคะไม่มีใครเหมือนไม่เหมือนใครโอกาสที่ผิวพันธุ์จะทรงผุดพองอย่างยิ่งมีอยู่สองวาระในชีวิตคือคือนสุขดิบก่อนการตรัสรู้กับก่อนการปรินิพพานนะคะแล้วก็เลยมีเกรด็ดเล็กเกร็ดน้อยยอยให้ฟังแต่ในส่วนประเด็นที่ดิฉันสรุปเนี่ยเป็นการถวายเป็นพุทธบูชาพุทธชยันตี และพวกเราก็เคารพพระศ า, าสดาเหลือเกินนะคะหลังจากที่ได้ศึกษาธรรมของพระองค์เพื่อนงฟังคะในการสัมสมนาสนทนานะคะพยายามที่จะให้ท่านทั้งหลายได้รู้จักภาษาสดาของเรามากยิ่งขึ้นเนื้อสิ่งอื่นใดในความรู้เกี่ยวกับพระพุทธองค์นั้นเราเน้นที่ธรรมะที่พวกเราจะนําเอามาปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเองจะได้งอกงามเผื่อแผ่กับผู้อื่นและสังคมได้ด้วยนะคะวันนี้ เราก็ฝากกันไว้ว่าพ e เอ t h a รม a .com/106 ท่านเข้าไปที่นั่นท่านจะพบธรรมะทั้งที่ท่านพบู์ได้แสดงไว้ไม่ต้องผ่านรายการนี้กับทั้งที่อยู่ในรายการนี้และสามารถทิ้งคำถามเอาไว้ได้ค่ะวันนี้รายการสรัทธาสนทนาลาท่านไปแต่เพียงเท่นี้ก่อนนะคะคุณทวัตสวัสดีค่ะ